สี่กลายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นวงเล็บเปิดเก้ามีนาคม2551น้าห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบเจ็ดวงเล็บปิดฉะนั้นอยู่ที่เราต้องภาวนานะรู้กายรู้ใจอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งใจถ้าไปดูอย่างอื่นที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจก็ไม่ใช่แล้วถ้ารู้กายรู้ใจแบบเพ่งจ้องเพ่งจ้องกายเพ่งจ้องใจก็ไม่ใช่แล้ว เพราะเวลาเราเพ่งกายกับใจจะนิ่งผิดความจริงต้องรู้กายรู้ใจเครื่องหมายคําพูดเปิดกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นปิดเครื่องหมายคําพูดสองประโยคนี้ท่องเอาไว้นะจําไว้ในใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรล่ะเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่กายเมื่อยกายอยากจะอาบน้ํากายอยากจะกินข้าวอะไรอย่างนี้มันตื้นไปหรือกายเป็นปฏิกูลอสุภะ ไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์ถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสนาฉะนั้นการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงก็ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขาไม่ใช่เห็นว่าจิตว่างๆกายเป็นปฏิโกณอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์แล้วมันจะคลายความยึดถือออกไปถ้าเห็นอย่างอื่นนะถ้าไม่รักก็เกลียดยังเห็นกายเป็นปฏิโกณอสุภะก็จะเกลียดเห็นจิตมันว่างๆสบาย แม้มันมีแต่ความสุขความสบายและพอใจอยู่ในความว่างความสุขความสบายก็จะรักมันเห็นไหมจะไม่หลุดพ้นนะถ้าหลุดพ้นต้องเห็นไตรักถ้าเห็นอย่างอื่นนะไม่รักก็เกลียด